เรื่องพระสารีบุตร204สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรเดินทางไปรกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลเข้าไปยังที่พักแรมแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านถวายพัะทหารด้วยความดีใจว่านานๆพระคุณเจ้าจึงมาครั้นพระสารีบุตรชันพัะทหารเสร็จแล้วเกิดเป็นไข้อย่างหนักจนไม่สามารถเจ อ, อกไปจากที่พักแรมนั้นได้ครั้นในวันที่สองพวกชาวบ้านได้กราบเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า นบนฉันเถิดพระคุณเจ้าครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการอยู่ชั้นพระทหารในที่พักแรมเป็นประจำจึงไม่รับยอมอดอาหารครั้นท่านพระสารีบุตรเดินทางถึงกรุงสาวัตถีได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ